ห้าสิบหปีก่อนที่สวนโมกมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะเพิ่งเรียนจบมัธยมเพราะแม่ก็ฝากลูกคือเด็กคนนี้ให้มาอยู่กับท่าจาพุทธทาสมาเป็นเด็กวัดนะแล้จาพุทธทาสก็เห็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยชอบเรื่องก่อสร้างนะก็เลยให้ไปทำงานกับนายช่างคนหนึ่งนะซึ่งกำลังก่อสร้างกุฏิที่สวนโมก เขาทำไปแล้วสองสาวันพวกว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนะี่ยทำงานไม่ทันใจในช่างในช่างก็เลยด่านะด่าว่าอะไรนะด่าว่าไอฮ า, าเด็กหนุ่มคนนี้นี่ไม่เคยเจอใครด่าแบบนี้นะร้องไห้เลยนะเจ็บใจครับแค้นมากแล้วก็เลยตัดสินใจไป หาท้าจากพุธถาแล้วบอกว่าจะไม่อยู่ละจะไปละเราก็ถามว่าอา้าวทาไมถึงจะไปล่ะ เ, เด็กหนุ่มคนนี้ก็บอกวันนี้ก็พอถูกนายช่างด่าว่าไอหาท้าจาพุธทาก็เลยพูดขึ้นมาว่าโอ้ยจะเจ็บอะไรนะไอหาขนาดเรานี่มันยังด่าแม่เลย โอ้ขนาดท่านเจ้าพุทานี่ตอนนั้นท่านก็เป็นพระที่เป็นพระผู้ใหญ่แล้วนะพูดถึงราชาคณะนี่ก็ระดับชั้นราชั้นเทพแล้วเนะเป็นคนรู้จักมีคนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยกก็ยังถูกนายช่างคนนี้ด่าวด่าแม่เลยแต่ท่านไม่โกรธนะฟังจากคำพูดที่ท่านพูดเตือนสติเด็กหนุ่มคนนั้นแล้วเนี่ย ท่านบอกเลยโอ้ยไอเรานี่โดนมาแล้วนะโดนด่าแมแ่ท่านก็ไม่โกรธนะเพราะถ้าท่านโกรธท่านคงจะไล่ในช่างคนนี้ออกไปจากสวนโมกแล้วถ่าคงเห็นว่าเออมันก็เป็นนิสัยของเขาแต่ว่าคงไม่ใช่แค่นั้นนะท่านคงรู้จักวางใจด้วยเพราะว่าท่านก็ฝึกมามากเพราะฉะนั้นเนี่ย แม้ว่าท่านจะถูกด่าแรงๆนะซึ่งก็คงจะไม่มีใครด่าอย่างนั้นกับท่านนะจะมีแต่ในช่างนะที่ด่าท่านอย่างนั้นแต่ท่านก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะคนคนนั้นเลยก็ปล่อยให้ทำงานไปแต่ว่าท่านก็เอาประสบการณ์นี่มาเตือนสตินะเด็กหนุ่งคนนั้นนะว่าโอ้ยโดนด่าไอ้หานี่มัน มันจิบจ้อยมากนะว่าทำไมเด็กหนุ่มก็น่าได้สตินะก็เลยผงได้คิดหนวะขนาดหลวงพ่อพุทธทานี่เจอหนักกว่าเราซช่หรนอะไท่านยังเฉยเลยนะและเรานี่มันแค่คนธรรมดานะจะไปเจ็บปวดอะไรนะสุดท้ายก็เลยนะกลับไปทำงานต่อกับในช่างคนนี้ ตาลังก็มีความรู้ในทางช่างก่อสร้างก็มาช่วยสวนโมกเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนี่ก็เป็นเกร็ดนะบางต่องท่านอาจาพุทธทาซึ่งคิดว่าน้อยคนนะที่จะได้ยินเรื่องนี้นะเพราะว่าคงนึกไม่ถึงเลยนะว่าเนี่ยอาจารย์พุทธทานี่เป็นพระที่พระผู้ใหญ่ระดับนี้แล้วนี่ยังไม่วายนะที่จะมีคนมาด่าแม่ แล้วคนในระดับท่านเนี่ยนะถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะโดยวัยไม่ว่าจะโดยสมณศักดิ์ไม่ว่าจะโดยสถานะพาต่างสังคมเนี่ย mm. ก็รู้นตะ่มีคนมากราบไหว้มีคนมานอบนอบ้อมมีคนยกย่องสรรเสริญอย่าว่าแต่ด่าแม่เลยนะแม้กระทั่งคําพูดที่เบากว่า น, นั้นเนี่ย ก็น้อยคนนะที่จะมาผูก้กระทําอย่างนั้นน่ยแต่ว่าท่านก็ไม่ได้หลงไหลนะในคําชื่นชมสา ร, รสวนการเคารพบ น, บนอบน้อมของผู้คนเลยเพราะถ้าขืนท่านเนี่ยเพราะถ้าเกิดท่านหลงเพลิดเพลินในคําสารเสริญเดินยอการเคารพ น, นอบน้อมนี่ท่านคงจะทนไม่ได้นะกับการที่ มีคารวาสเนี่ยซึ่งอายุน้อยกว่าท่านแล้วก็ไม่ได้มีสถานภาพอะไรเลยมาด่าแม่ท่านอันนี้ก็เรียกว่าท่านมีมีการฝึกจิตที่น่ายกย่องมากและขณะเดียวกันมันก็เชื่อเห็นนะว่าคำด่าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเจ็บคำด่าไม่ได้ทำให้เราปวดคำด่าไม่ได้ทำให้เราทุกข์ แต่ที่คนเราทุกเนี่ยนะก็เพราะการวางใจไม่เป็นหรือว่าเพราะจิตเนี่ยไม่มีเครื่องรักษาเพราะถ้าคำดาที่ทำให้คนเราเจ็บเนี่ยนะถ้าจากพุท ธ, ธาก็ต้องโกรธนะในช่งองคนนั้นนะไปนานแล้วแต่ว่าข้อพูดกับท่านอย่างนั้นนี่ท่านก็ไม่รู้สึกทุกข์อะไรเลยมันแสดงว่า คำด่านี่มันไม่ได้เป็นตัวสาเหตุที่ทำให้คนเราทุกข์แต่ที่เราทุกข์ก็เพราะใจที่วางไว้ไม่ถูกอย่างซึ่งพระเจ้าก็เคยเปรียบไว้แล้วนะว่ามือที่ไม่มีแผลเนี่ยแม้ถูกยาพิษมันก็ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าเป็นอันตรายเนี่ยมันก็เพราะมือเนี่ยมีแผล มือที่ไม่มีแผลสัมผัสยาพิษนี่ก็ปกติก็เมกะใจที่ฝึกไว้ดีแล้วนะแม้มีคำด่าว่ามากระทบมาสัมผัสก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้แต่ที่ใจเนี่ยเป็นทุกข์เป็นเดือดเป็นแค้นโกรธเกลียดเนี่ยนั่นไม่ใช่เพรา ะ, ะคำด่าว่ามากเท่ากับ การที่ใจเราไปเปิดช่องให้คําด่าว่านั้นเข้ามาทําร้ายจิตใจพระพุทธเจ้าเคยกล่าวว่าความสุขและความทุกข์ของคนเราเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติถูกหรือผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าผัสสะคือเมื่อมีรูปรสกลิ่นเสียงหรือว่าบทถัพพะ หรือว่าผัสสะหรือว่าสัมผัสมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายนะถ้าเราปฏิบัติถูกนะแม้มันจะเป็นคำด่าว่าก็ไม่ทุกแต่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกนะนั่นแหละจึงจะเกิดทุกข์ขึ้นมา เกิดความโกรยเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความขับแ้นใจแล้วที่ปปิบแบบไม่ถูกเนี่ยมันก็ถ้าจะว่าไปก็พูดรวมๆคือว่าไม่มีสตินะหรือว่าเกิดผัสสะด้วยความหลงอันที่พูดแบบรวมๆนะ คือเมื่อผัสสะเกิดแล้วไม่มีสติหรือว่าเมื่อเกิดความหลงขึ้นเนี่ยมันก็มันจะทุกข์แต่ถ้ามีสตินะไม่หลงเนี่ยไม่ว่าอะไรมากระทบหรือเกิดผัสสะขึ้นมามันก็ไม่เกิดทุกข์ขึ้นที่ใจมีศิลปินคนหนึ่งน ะ, ะชื่อเทพสุริศุกโสภา เคยไปกราบท่าอาจารย์พุทธทาสที่สวนโมก็เมื่อสักประมาณหลายเหลี่ยงนะ 40-50 ปีมาแล้วแล้วแกก็เป็นคนกล้าพูดนะแล้วก็ช่างสักไม่ค่อยกลัวเกรงใครเท่าไหร่ไปถึงก็ไปกราบท่าอาจารย์พุทธทาส เราก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าอาจารย์สอนเรื่องจิตว่างมานานเนี่ยผมเชื่อนะว่าท่านเนี่ยไม่โกรธไม่เกลียดใครแต่ผมอยากจะรู้นะว่าเนี่ยท่านเคยนึกชอบพอใครไหมอาจารยพุทธาตอบว่าท่านตอบว่าถ้าเผลอก็มีเชฟซูริกแกก็เลยจี้ต่อเลยนะ แกเอาชีหน้าเลยนะแล้วท่านเผลอบ่อยไหมท่านก็ตอบว่าของอย่างเนี้ยปฏิบัติเท่าไรเนี่ยปฏิบัติมากเท่าไหร่มันก็เผลอน้อยเท่านั้นแหละโอ้ mm. ทเทพศรีก็บอกว่าแกไปไม่เป็นเลยนะเจอคําตอบแบบเนี้ยนะเพราะว่ามันเป็นคําตอบที่มันไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่มีการคือไม่มีการโอ้อวดนะว่า อตมไม่มีหรอกนะความเผลอไม่ท่าไม่พูดอย่างนั้นเลยถ้านบอกว่าถ้าพูดในแง่ของหลักการนะว่าเนี่ยเผลอก็มีถ้าเผลอก็มีก็คือความยินดีนะชอบพอใจที่หมายถึงความยินดีแต่ว่านะปฏิบัติมากเท่าไหร่มันก็เผลอน้อยเท่านั้นนะท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านไม่เผลออันนี้คล้ายๆกับมีคนมาถามหลวงปู่ดูลนะตุโลว่าเนี่ยหลวงปู่มีโกรธไหม การที่ฉันบอกว่าว่าตัมาไม่โกรธหรอกเพราะว่าใายๆก็รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์คนก็อยากรู้ท่านตอว่าอย่างไ่นตอมีแต่ไม่เอานี่ยคือไม่ได้เป็นความอวอวดนะแต่ว่าพูดแล้วเนี่ยทำให้คนเห็นแล้วนะว่าของแบบนี้เนี่ยนะมันมีได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเอาหรือไม่เอา พระเจ้าพุทธากเหมือนกันนะท่านก็ท่านก็พูดไม่ได้อวดอ้างว่าไม่เผลอนะแต่ท่านบอกว่าของอย่างนี้ถ้าปฏิบัติมากเท่าไหร่มันก็เผลอน้อยลงเท่านั้นแหละท่านเอ็ดสเลนก็ประทับใจมากอันนี้ก็เรียกว่าท่านในการเผลอไม่เผลอเนี่ยมันก็สัมพันธ์มันก็สัมพันธ์น ก, นกับเรื่องของการ ร <im sharing> <im> <im> causes, <im> ับรู้เมื่อเกิดผัสสะนะเพราะว่าเมื่อมีการกระทบหรือเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาถ้าเผลอหรือไม่มีสติเมื่อเกิดความยินดีหรือยินร้ายเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดการให้ค่าว่าเป็นบวกเป็นลบนะให้ค่าว่าเป็นบวกก็เกิดความพอใจให้ค่าว่าเป็นลบก็เกิดความไม่พอใจ แล้วมันก็ยังไม่ทนนานนะพอเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วไม่รู้ทันมันก็เกิดการยึดนะเกิดการยึดติดถือมัน่นก็ปล่อยให้ความพอใจมันเข้ามาบงการจิตใจหรือปล่อยให้ความไม่พอใจเข้ามาบีบคั้นจิตใจแลเกิดสุข แล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาและสุขที่ว่านี่มันก็เป็นสุขแบบที่เรียกว่าเจอไปกด้วยทุกข์นะเป็นสุขที่มีทุกข์ตามมาเพราะว่าไอ้สิ่งที่พอใจมันก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงพอมันแปรผันไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา แล้วพอเผยแล้วเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะเกิดความยึดติดอย่างที่ว่านะถ้าพอใจมันก็ทำให้เกิดความติดใจถ้าไม่พอใจก็เกิดอาการขัดใจนะไอ้ติดใจนะหรือขัดใจเนี่ยแม่ดูเหมือนเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ที่ตรงข้ามกันนะแต่มันก็เหมือนกันอย่าง น, นึคือมันเป็นความยึดติดถือมัน่นภาษาค่อยคาหรือภาษาเนี่ยมันมันมัน ภาษาไทยนี่มันบอกชัดเลยนะติดใจก็ก็คือความยึดติดอย่างหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะให้ความรู้สึกในทางบวกส่วนขัดใจก็เป็นความที่เกิดการติดขัดขึ้นมาในใจให้ความรู้สึกในทางลบแต่สิ่งที่ติดใจเนี่ยนะพอมันแปรผันไปมันไม่เหมือนเดิมก็เกิดความขัดใจขึ้นมาติดใจในอาหารที่อร่อยในเพลงที่ไพเราะ แต่พออาหารนั้นมันไม่มีรสชาติเหมือนเดิมจากติดใจก็กลายเป็นความขัดกลายเป็นความขัดใจเพนที่ไพเราะแต่เพราะว่าพอมีคนร้องนะเสียงหลงนะไม่เหมือนกับที่เคยชอบเคยติดใจก็เกิดความขัดใจขึ้นมาให้ความชอบไม่ชอบเนี่ยนะมันก็ตะว่าไปก็ เป็นพอความหลงนะหลงเมื่อเกิดผัสสะอะไรที่ถูกใจเราเราก็ชอบอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็ไม่ชอบพูดถึงคำว่าชอบเนี่ยนะวความหมายก็คือเจอสิ่งที่ถูกใจนะมันเป็นปฏิกิริยาเมื่อเราเจอสิ่งที่ถูกใจเราก็ชอบไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัส แต่ชอบเนี่ยยังมีความหมายหนึ่งนะอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะชอบเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความถูกใจอย่างเดียวชอบอีกคำหนึงอีกความหมายหนึ่งในภาษาไทยคือความถูกต้องนะภ <ข entonces S 2> าษาคำภาษาไทยมันก็แปลกนะครับว่าชอบเนี่ยความหมายหนึ่งคือถูกใจนะอาหารที่ถูกใจเราก็ชอบเพลงที่ถูกใจเราก็ชอบคนที่พูดถูกใจเราเราก็ชอบแต่ว่าชอบอีกความหมายหนึ่งก็คือถูกต้อง นะเช่นคิดชอบพูดชอบการงานชอบนะในอริยมรรยองแปะเนี่ยสัมมาวาจาสัมมาชีวะสัมมากรรมมันตานี่มันเป็นเรื่องชอบงั้นแหละพนะูดจาชอบการงานชอบอาชีพชอบชอบในที่นี่คือถูกต้องนะไอถูกใจกับถูกต้องนี่มันมันไม่เหมือนกันนะบางทีมันตรงข้ามกันเลย เพราะว่าสิ่งที่ถูกใจของหลายคนเนี่ยมันไม่ถูกต้องหลายคนเนี่ยเล่าเนี่ยคือสิ่งที่ถูกใจยาเสพติดคือสิ่งที่ถูกใจการพนันคือสิ่งที่ถูกใจการทําตามใจกิลเลสเนี่ยก็คือความถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องนะการกินอาหารหลายอย่างเนี่ยมันถูกใจก็จริงแต่มันไม่ถูกต้องเพราะมันเป็นโทษต่อร่างกาย แลความชอบใจเนี่ยนะความชอบในความหมายที่เป็นความถูกใจเนี่ยมันก็เป็นเพราะการปไม่ถูกต้องนะต่อสิ่งที่เรียกว่าผัสสะก็คือไม่มีสติพอไม่มีสติเข้าอะไรที่มันให้ความสึกทางบวกคือสุขเวทนาก็เกิดความชอบขึ้นมาเกิดความยินดีขึ้นมาเกิดอาการติดใจขึ้นมา อะไรที่มันทำให้เกิดทุกขเวทนานะก็ไม่ชอบนะรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจทาง ท, างทีอาจจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ได้นะนะเช่นการที่เราต้องตื่นเช้าเนี่ยตี3ครึ่งตี3ามาทำวัดนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะ เพราะมันเป็นระเบียบของวัดแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ช่วยฝึกฝนเรานะให้รู้จักตื่นตัวให้รู้จักเอาชนะกิเลสแต่มันก็ไม่ถูกใจนะของคนทั่วไปแต่ว่าถ้าว่าเราเนี่ยรู้จักใคร่ครวญ เรื่องแต่การที่มีสติพิจารณามันก็ทําให้ใจเนี่ยเอียงไปทางความถูกต้องเรื่องถ้าเราฝึกจิตนะให้มีสติอยู่เสมอในระดับที่เรียกว่ามีสติรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์มันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องนะ ต่อผัสส ะ, ะเวลามีรูปมากระทบตามีเสียงมากระทบหูไม่มเนี่ยอาจจะไม่มีสติรู้ทันผัสสะที่เกิดขึ้นหรืออาจจะไม่รู้ทันเวทนาที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าพอมันปรุงเป็นอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยหรือมีความคิดปรุงแต่งตามมาเนี่ย เราก็มีโอกาสที่จะรู้ทันนะถ้าเรามีสติเช่นมีความพอใจเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นหรือว่ามีความโกรธมีความหงุดหงิดมีความสดชื่นเปิกบานแจ่มใสเกิดขึ้นถ้าเรามีสติรู้ทันเนี่ยนะมันก็ทำให้เราสามารถวางใจเป็นกลางได้มันจะอยู่เหนือความชอบ ความไม่ชอบมันจะอยู่เหนือความยินดีความินร้ายใจอยู่ในสภาวะที่เป็นปกติตรงนี้แหละนะที่เราเป็นการวางใจชอบก็คือว่าใจเนี่ยเป็นปกติไไม่ไม่ถูกกิเลสครอบงำเพราะว่าถ้าเกิด มีความชอบใจมีความยินดีเมื่อไรมันก็ง่ายที่จะเกิดความยึดติดเกิดเป็นอุปาทานขึ้นมาแล้วก็เกิดตันหาความยึดความอยากมันมาดึกกันเกิดตันหาก่อนแล้วค่อยเกิดอุปาทานส่วนสิ่งที่ไม่ชอบใจความยินร้ายเกิดขึ้นถ้าไม่รู้เท่าทันมันไปยึดมันเข้าแล้วก็เกิดความขัดใจเกิดโทสะขึ้นมา เพราะฉะนั้นก็ธรรมดาเลยน ะ, ะเวลามีใครมาต่อว่าด่าทอาก็เกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความทุกข์เวลามีใครมาชมนะสรรเสริญก็เกิดความยินดีเกิดความพอใจแต่ทั้งหมดนี้มันก็ล้วนแต่นะพาให้ไหลวนหรือว่าหลงวนอยู่กับความทุกข์ได้ใหนะ้ความยินดีเมื่อมีคนชมเมื่อมีคนสรรเสริญ นะหรือความสุขเมื่อเกิดเกิดสุขเวทนาขึ้นมาจากการสัมผัสได้กินของอร่อยได้ฟังเพลงเพราะในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะแม้ว่ามันจะสุขแต่ก็อย่างที่บอกนะมันจะมีความทุกข์ตามมาเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรผันไป หรือถึงไม่แปลผันนะหรือไม่แปลปรวนแต่ว่าพอเกิดสุกขขึ้นมามันเกิดความอยากได้มากกว่านั้นนะเกิดตัณหาตามมาเกิดโลภะาตามมาเกิดอาการที่เรียวกว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะอันนี้เราก็เห็นอยู่จากประสบการณ์ของเราเองก็ได้ได้โชคได้ลาบมา มันก็มีความสุขแต่ว่าสุดท้ายอยากได้อีกได้เสื้อตัวใหม่มาดีใจแต่แล้วก็อยากได้อีกบางทีไอ้ที่ได้มาแล้วเนี่ยเบื่อแล้วไม่อยากได้ตัวใหม่อยากได้ของใหม่ไม่ว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเรามันจะเป็นอะไรก็ตามนะเป็นเพลงเป็นหนังเป็นอาหาร เป็นผู้คนได้ความสุขมาแล้วมันไม่มีความพอใจสิทธิมันก็อยากได้อีกยังไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าสิ่งนั้นมันเกิดแปรป่วนไปมีคนแย่งชิงไปจากเราหรือว่าไม่มันไม่อร่อยเหมือนเดิมมันไม่สุขเวทนาเหมือนเดิมก็ยิ่งเกิดความขัดใจผมก็ชาติจึงเปรียบว่าเนี่ย ไอ้ความทุกข์เนี่ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาก็หัวงูนะไอ้ความสุขก็เปลี่ยนมาเก็อหา ง, งูไปจับหัวงูมันก็กัดเอาไปจับหางงูถ้าไม่รีบปล่อยก็โดน ง, งูกัดเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันนะสุขหรือทุกข์เนี่ยลายคนไม่ค่อยตะหนักนะเจอทุกข์นี่ อยากจะผลักใสแต่พอเจอสุขก็อยากจะเข้าหาอยากจะเข้าไปยึดไม่ว่าเป็นสุขที่เกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือแม้กระทั่งสุขที่เกิดขึ้นในใจซึ่งรวมไปถึงความสงบมันก็คอยเกิดสุขคุเวทนาอย่างละเอียดแต่ถ้าว่าเราไม่รู้ทันนะมันก็เข้าไปยึด อันนี้นที่หลวงพ่อเขียนได้ใช่ก็ว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเข้าไปเป็นนี่เข้าไปยึดความเป็นเราเป็นของเราพอยึดเป็นของเรายึดเป็นเป็นเราพอมันแปลเปลี่ยนไปมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความขับแค้นแต่ถ้าเกิดเรามีสตินะเออมันสุขเราก็รู้ไม่ใช่ว่าปฏิเสธไม่ใช่ว่าห้าง สิ่งที่ให้สุขเวทนากับเราอาหารที่ทางโรงครัวจัดทำเนี่ยที่นี่มันก็มีรสชาติที่อร่อยนล้เราก็ไม่ปฏิเสธไม่ใช่ว่าต้องทำลายรสอร่อยนั้นให้มันกลายเป็นรสที่ไม่อร่อยรสอร่อยมีเราสัมผัสเกิดสุขเวทนาขึ้น แต่สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือก็คือการรู้ทันความพอใจที่เกิดขึ้นนะเห็นความพอใจไม่ปล่อยใจให้เคลิมคล้อยดื่มดั่ไปกับความอร่อยหรือปล่อยความพอใจมันแปรสภาพกลายเป็นความติดปกติดใจงั้นถ้าเรามีสตินะเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมา พอใจก็รู้ว่าพอใจไม่พอใจก็รู้ว่าไม่พอใจนะเห็นมันนะไม่ข้อเป็นมันก็ทำอะไรใจเราไม่ได้เรียกว่าทำให้ใจเราเป็นอิสระจากความพอใจความไม่พอใจอิสระจากความถูกใจความไม่ถูกใจอันนี้แหละนะคือ การนำพาจิตใจให้อยู่ในภาวะที่ถูกต้องถูกต้องคือามันไม่ทุกข์นะหรือมันไม่ก่อทุกข์ตามมาแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะเป็นอิสระตอบผัสสะอย่างอื่นได้อีกนะไม่ว่าจะเป็นเสียงต่อว่าดาทอหรือว่าคําชื่นชมสรรเสริญเจอเสียงต่อว่าด่าทอก็ไม่ทุกข์นะอย่างน้อย ก็ไม่ปล่อยให้ความไม่พอใจเนี่ยมันเล่นงานจิตใจพระบุตุชนก็ย่อมมีความไม่พอใจแต่ถ้ารู้ทานความไม่พอใจนั้นมันก็เข้ามาบีบคั้นใจไม่ได้หรือเวลาเขาชมเนี่ยเกิดความพอใจก็เห็นความพอใจไม่เคลิคลมๆหลงไหลกับความพอใจนั้นพอจะไปเคลิคลมๆหลงไหลเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดทุกข์ตามมาอันนี้ก็เรียกว่าทาให้เราเนี่ยมีจิตใจที่มัน่นคง นะเป็นจิตใจที่เรียกว่าอิสระนะไม่ถูกครอบงําด้วยผัสสะหรือเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ที่ท่านอนุท่าท่านท่านปฏิบัติให้เราเป็นแบบอย่างปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับเรานี่มันก็ก็ชี้เห็นนะ ว, ว่าเนี่ยสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยนะมันเป็นแนวทางให้กับเราได้นั่นะคือการที่เรารู้จัก ฝึกจิตให้มีสติต่อผัสสะที่เกิดขึ้นจนกระทั่งอยู่เหนือโลกธรรมไม่ว่าโลกธรรมฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบและสิ่งนี้แหละที่มันจะทำให้เกิดความ ส, สงบเย็นอย่างแท้จริง